วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม 2536 เอกการบรรยายพระอภิธรรมเบื้องต้นเรื่องอเหตุกจิตท่านสาธุชนที่เคารพการบรรยายจิตดวงสุด ที่นอกเหนือจากนั้นจิตดวงนี้มีชื่อว่าหาสิตตุปาทะ อย่างใดอย่างหนึ่งในในอยอยอยอย 2 6 ประการเรียกว่าหทิตุปาทจิตเพราะหมายเอาอย่างนี้ซึ่งเป็นจิตที่นี้เป็น คัมภีร์ท่านใช้คําว่าไม่หยาบไม่หยาบนั้นหมายคือไม่ได้ไม่ได้มีมรรคเป็นอารมณ์หรือไม่ได้มีผลเป็นอารมณ์ไม่ได้มีนิพพานเป็นอารมณ์ ชาวบ้านเวลายามยิ้มนั้นจะยามยิ้มกันด้วย ส่วนที่ท่านปฏิเสธความประณีตของอารมณ์และปฏิเสธความหยาบจัดของอารมณ์ที่เป็นเหตุให้ละหานยึดหรือยึดในภาษาทาง ที่หมายถึงอาการล่าคือยิ้มซึ่งในธรรมะที่กล่าวไว้ ตัวหนึ่งก็คือจิตดวงนี้ตรงนี้ที่แต่เป็นการเรียกแล้วนี่เป็นอันหนึ่งอีกตัวหนึ่งเป็นชื่อของ อธิตุปาฐจิตกับมหาปัญญานั้นตรงที่ว่าคนเมื่อเกิดหาสัพปัญญาที่แปลวัญญาร่าเริงนั้น ซึ่งจะผิดนี่เป็นข้อที่แตกต่างหาสิตุปาทาจิตว่าจิตตรง ที่ท่านกล่าวถึงหาปัญญาแปลว่าปัญญาลาดเหลิงท่านบอกว่าบุคคลบาง ในอันบำเพ็ญศีลขันธ์สมาธิขันธ์ปัญญาขันธ์วิมุตติขันธ์วิมุตติญาณทัสสนขันธ์ให้บริบูรณ์อิส่วนหนึ่งกล่าวว่าในอันเจริญสติปัฏฐานสัมมัปปธานอิทธิบาทจินตสีพละโพชฌงค์อริยมรรคให้บริบูรณ์ เพราะฉะนั้นปัญญานั้นจึงมีชื่อว่าอาสปัญญาครับก็ไม่ได้ต้องการจะให้กําหนดหรือในรายละเอียดแต่ว่าต้องการจะให้มองเห็นภาพ มีปัญญาที่สหระคตด้วยโสมนัสเวทนาคนพวกนี้น่ะบางและเป็นมหาวุโสสมนัสมหาวิบากสมนัสนะพอคนคือมีความ อย่างที่เราเห็นว่าคนบางคนนั้นอาจจะประพฤติธรรมด้วยอาการที่เป็นทุกข์ มีทีละเป็นธรรมะขั้นต้นแล้วก็ขึ้นไปจน อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยยกตัวอย่างทรงมีมหาสัพพัญญู แล้วไอ้อนิงค์มันจับกินอะไรเหลือแล้วจะไปว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงมีปกติภะก่อนนะอ่านี่ซึ่งปัญญา <c oughs> เป็นปัญญาที่มีความสุขในการเกี่ยวข้องกับเราบางเกิดได้จากบุคลิกของคนที่อยู่ในในแวดวงธรรมะก็จะมีลักษณะอย่างนี้จริงๆแต่อันนี้ถือว่าเป็นปัญญาส่วนหาสิตุปาฐะจิตนั้นเป็นจิตที่ไม่เป็นจิตที่ไม่มีเป็นจิตที่ ผมอธิบายในส่วนนี้มาก่อนว่า <c oughs> <c oughs> 12 ดวง 12 ดวงนั้น แล้วก็อัญญสมนาเจตสิก 15 ก็เดี๋ยวไล่นิดนึงเผื่อบางท่านไม่ทันออกตปัสสิตาฆานะเจตสิก 7 ก็มี 4 ในลิกาณเนี่ยพูดดี ที่ตกวิชาที่โมกปริยัติปฏิฉันทะนะที่ไม่มีคือฉันทะ จะยิ้มกันอยู่ไม่จําเป็นจะต้องรักใคร่ แต่ความพอใจและญาณปัญญานั้นอาจจะเกิดขึ้นก่อนเป็นเหตุเป็นต้นอันนี้จะอธิบายเหมือนอย่างว่าพระพุทธเจ้าเรื่องราวที่ผ่านถึงอดีตก็คงเกิดก่อนเช่นเกิดบุปเพนิวาสานุสสติญาณเกิดทิพจักขุญาณญาณนั้นก็เป็นตัวนํามา เพราะการยิ้มอย่างมีจริงเป็นการๆนะของการรับรู้ที่เป็นเป็นส่วนอื่นๆเป็นส่วนเบื้องต้นและจึงเป็นผลส่วนสุดท้ายเนี่ย ุ่งใจไม่อะไรเป็นแต่เพียงผลสําเร็จจิตดวงนี้มีความ แล้วก็อารมณ์ของจิตแต่ละดวงนั้นบางดวงก็มีอารมณ์เป็นอนิจจารมณ์บางดวงก็มีเป็นอิทารมณ์นี้ถ้าสุปปาทาจิตนั้นมีอารมณ์ที่ไม่หยาบไม่ละเอียดก็ยกตัว สมมุติว่าปุถุชนกับลังอรหันต์ไปดูเขาแสดงละครแต่คําว่าไปดู 2 คนดูดูละครแต่ความรู้สึกในภาพที่เห็นจะไม่เหมือนกันพระสหังอาจจะยิ้มเหมือนกับคนอื่นก็ยิ้มแต่คนอื่นยิ้มมันยิ้มในรสชาติของอารมณ์ที่เห็นในส่วนหยาบหยาบอย่างที่เรา การแสดงนั้นได้อยู่ในผู้แสดงนั้นนะฮะโดยอาศัยสิ่งที่เห็นเนี่ยเป็นตัวสื่อๆกับเรา ไม่เท่ากันเท่ากันคนที่มีธรรมะก็เกิดความคิด มีความวางใจก็คิดไปๆเนี่ยเราคงจะ เช่นพระอาหารเนี่ยท่านจะมองขยับลงไปอย่างนี้ซึ่งถือว่าละเอียดกว่าแต่ก็ไม่ถึงละเอียดไปถึงขั้นเป็นโลกุตระซึ่งถือว่าเห็นคน ไปเห็นคนละโมบมีเราก็อาจจะเกิดความรู้สึกไม่ชอบว่าคนที่คิดในทาง คนโลกหลบคนอนาถามาได้รับแก่ข่าวของเครื่องใช้ของบริโภคก็ส่ง น่าจะทําความคิดว่ามีอะไรที่เราจะพึงมรณกิจ ก็มาเฮียลองดูเรื่องอัฐให้เป็นนิสัยไว้ก็จะนะฮะเนี่ยจะได้เป็นอรหันต์ง่ายหน่อยนะถ้าหมดเป็น <c oughs> <s> เรเรเราก็เลยมาพูดถึงอาการแสดงออกอาการแสดงออกของจิตดวงนี้คืออาการยิ้มเอ่อท่าน กันที่ใบหน้าของท่านการแสดงออกที่ใบหน้าที่การยิ้มของว่าพระท่านจะมีข้อเขตการยิ้มอยู่เพียง 2 อย่างใน 6 อย่างอย่างที่ 1 และอย่างที่ 2 จะไม่มีเสียงหัวเราะหรือล่างกายจะไม่สั่นไหวเพราะการหัวเราะนั้นนี่คือข้อเขตอันหนึ่งของพระ <c oughs> อันนี้จึงได้แสดงว่าอารมณ์ที่ละเอียดที่สุดนั้น การการแปรออกที่มีจิตเป็นสมุฏฐานและจิตที่เป็นสมุฏฐานนั้นจะต้องเป็นโสมนัสเสเวตนาถ้ายินเอมอย่างบางคนที่เข้าหน้าเค้า ในโบราณเล็กๆทางใบหน้าบางบางคนใจอาจจะไม่ได้เกิดความปฏิฆะแต่ดูแล้วหน้าเงาๆง๊อดๆนะฮะไอ้จะยิ้มแต่ละทีแล้วรู้สึกว่า ชาวละกันจึงจะพี่กับคนที่เอาสังสมตรงวันข้ามมาการที่เขาๆอย่างมีสังคนบางนั้นอนาอย่างนั้นไม่ <c oughs> อมยิ้มในหน้านี่เป็นมาแต่ว่าในการยิ้มเบ้ยิ้มในหน้าเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าจะเกิดพระทิรูปาภรรค ในอันรับแขกไปไปมาทั่ว 1 นี้เป็นปกติของ 2 คือหาสิตะการแยก ออกมาก็แย้มปากออกมาก็แปลว่าเห็นไล่ สังเกตได้จากการที่พระโมคคัลลานะแย้มเพราะเห็นอารมณ์บางอย่างก็ดีหรือพระพุทธเจ้าทรงแย้มบ่อยๆที่ๆในพระกันเล็กบางปืนบางก็ทรงแย้มพอเห็น เห็นเข้าไปถึงเคลียวหมายถึงว่าอันนี้คงจะต้องตั้งใจ อรรถาถาท่านได้พรรณนาว่าเวลาทรงเกิดทุบปาทานและเยี่ยมแสงพุ่งออกมาจากพระเขี้ยวแก้วทั้งที่อยู่ข้างหลังก็จะมองเห็นนะฮะผู้ที่ เวลาเสด็จตามเป็นปัจฉาสมณะเมื่อพระพุทธเจ้าไปพบ 3 รอบแล้ว เป็นอันว่าพระอนนท์และพระภิกษุทั้งหลายนั้นจะรู้เพราะอาการตรงนี้น่ะจึงบอกว่าจริงเหมือนกับวาลัพธ์ที่ ที่อยู่ในสภาพรู้ในโอกาสที่จะสอบถามซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าเชื่อไม่เชื่อก็ตามแต่ว่าพระพุทธเจ้า <c oughs> นี่คืออทิตุปปาตะคือการยึดที่เห็นไร้ปั่นนั้นพระอรหันต์จะยึด ยังนั้นก็ก็ดีนะทําให้หนึ่งว่าท่านหรือไม่ก็สังเกตจะปวดรอยก็เป็นอรหันต์แต่แต่ไม่ใช้กับคน พระตะยิมอย่างปารคณะเดินไปวินทบัตกับสมโภคละนะลงจากอวิชชาความแตกต่างระหว่าง เนี่ยนี้เป็นขั้นหนึ่งซึ่งก็กล่าวได้ว่าพระอรหันต์ยินด้วยจิต เป็นจิตระดับมหากุศลอย่างเราฟังธรรมได้จิตเป็นอย่าง ถ้าเป็นมหาตริยาโสมนัสนั้นเมื่อเกิดขึ้นกับพระอรหันต์แล้วบางครั้งท่านก็ยิ้มบางครั้งท่าน ก็ไม่มีใครนั่งยิ้มตลอด 2 ชั่วโมงครับหรือไม่มีใครที่ก็ยิ้มไปด้วยตลอด 2 ชั่วโมงถึงว่าบางคนอาจจะเป็นคน แล้วจะให้ไปถามลาหลานที่ไหนล่ะลาหลานท่านก็ว่าบางครั้งนะคือแรงอารมณ์แรงเราแรงนี่มันอธิบายเยอะ เราฟังธรรมบางเรื่องที่เราไม่ได้ยินมาก่อนที่ ก็เป็นสมณัสมหากุศลที่เกิดในกรณีนี้หรือบางทีก็อาจจะยิ้มด้วยมารยาทด้วยเค้าเรียกว่าด้วยเมตตากายกรรมด้วยเมตตากายกรรมคือแสดงออกทางกายให้ปรากฏเพื่อเป็นการให้กําลังใจแก่แก่ผู้พูดหรือๆขอบคุณ อย่างนี้ก็ได้นี้ก็ได้หรืออาจจะเป็นคือปฏิสันถารคือการตํารับก็ได้ตัวนี้ก็ว่ายินคือก็หมายความว่าที่บางครั้ง ตั้งไว้หน้าในบางครั้งพออย่างนี้ทีนี้วันมีข้อหน้าสงสัยอยู่อย่าง 2 ก็มี 3 ก็มี 4 เหลือแต่ ที่ไม่ยิ้มแล้วก็เมื่อเข้ามัคขยานเข้าผลสมาบัติของพระอรหันต์บางท่าน เข้าฌานสมาบัติแม้ว่าจะมีโสมนัสประกอบก็ไม่มีอาการยิ้มทำไมทำไมถึงไม่ยิ้มในหน้า ก็ต้องยิ้มออกมาบางทีต้องหลบนะนี่ผมเคยว่าเวลาทําเจริญภาวนาได้อารมณ์ดี แต่ว่าในขณะนั่งเนี่ยยังนึกไม่ออกว่านั่งไปแล้วยิ้มไปยังยังไม่ถึงขนาดนั้นนะยังนึกไม่ออกแต่ว่าอย่าง พื้นเท้าก็ดีหรือเหมือนกับบุคคลผู้ที่ขึ้นไปบนยอดเขาครบปรับโบกกรณีแล้วก็กระโดดลงไปในสระโบกกรณีดำลงไปในนั้นกระบี่น้ําจะซึมเข้าไปทั่วทุกกุงขนโทสตรีละของ ว่าฌานนั้นเดินก็ไม่ได้อัปปนาคือเป็นความแน่แน่นเป็นจิตที่หดกลับจาก 3 มัน นั้นพอออกจากจากการเข้าขำมาบัดและปล่าละหันก็ตามหรือ מעeta PRR Wagman ก็ตามหน้าตาจะแก่มใส ถึงหน้าตาอิМเอิบ มาเป็นสมุฏฐานให้เกิดอาการยิ้มเงินคนจะยิ้มได้เนี่ยต้องจิตไม่ต่ําไม่ต่ํามากแล้ว 4 กัวเลาะจนกายสั่นไหว 5 กัวเลาะจนน้ำตา 6 กัวเลาะจนกายยกหนม ใช่ครับใครยกลงมีใครบ้างไม่ๆเนี่ยการแสดงออก คนตั้งเกี่ยวตั้งวงก็วนล้อก็จึงงอหายแต่มีอยู่คนนึงเนี่ยทําให้เค้ามองเลยไอ้ไอ้ ไอ้ความยิ้มของเขามันตรงเรื่องหรอกที่ได้ก็ตกลงยิ้มไปถึงที่แต่ว่าข้อปราลภท่านน่ะไปยิ้มประกอบปราลภส่วนอื่นไม่ได้ยิ้มประกอบปราลภอย่าง ก็หลายบูรโภคะลาหน้าไปดูละครนะฉันก็ได้ความสนุกในส่วนอื่นที่นอกเหนือไปจากที่คนทั่วไปเค้าดูคนที่เข้าถึง เราก็เข้าใจอย่างที่รู้ที่เจ้าตรัสว่าเอ่อการหัวล็อกอย่างรุนแรงเนี่ยเป็นอาการ ที่เอว่าพูดในในวงเต้นรําเนี่ยของเรามันก็ประชากรเราก็อย่างวันเราก็ยอมรับว่าเราคุ้มดีคุ้มละบางครั้งก็ดีบางครั้งก็ลายก็ไม่แปลกอะไรสําหรับพุทธกิจแต่ว่าท่านผู้ที่พูดอย่างอย่างในวงการพระในความรู้สึกอย่างชนิดที่ท่านเข้าถึง ความไม่ยินดีอะไรๆในโลกก็คือความรู้สึกอย่างนั้นนั้นไอ้การยิ้มมีขั้นมี เดี๋ยวจุดเริ่มหรือตาแดงหรือจริงๆก่อนนั้นก็มีเสียงดังต่างชั้นกันไป เป็นแต่ว่าเจออารมณ์แรงๆเข้าก็เสียงดังเหมือนกันแล้วก็จากนั้นยังไม่พอยังเป็นคํานะเป็นถึงคันปริเวธนาการแล้วก็ คือทำลายทรัพย์ของนั้นเป็นของตัวที่แตกต่างออกไปอย่างนี้ของคนอ้าวที ดูจิตของพระเสขะกับบุรุษชนกันทั้งนิดนึงว่าพระเสขะซึ่งหมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีคืออมยิ้มยามยิ้มหัวเราะเสียงเบาหัวเราะ อ่าเพราะท่านมี 4 ฮะโทษน่ะไม่ไม่ถึงไม่ถึงข้อ 5 นะ 4 พระ 4 แต่ 6 ครับด้วย 6 ก็โสมนัสคือจิตเนี่ยเป็นอย่าง ความคิดที่เป็นเหตุแห่งการยิ้มของเช่นยกตัวอย่างว่าถ้า <c oughs> เป็นเพื่อนเห็นฝูงเค้าก็ยิ้มให้ไม่ได้ยิ้มให้ไม่ได้เลยแม้กระทั่ง ด้วยเมตตาหรือด้วยความเข้าใจในกฎแห่งกรรมสติตุปปาทจิตก็เกิดขึ้นเอวะตันโทสสมาอุรนโสมนัสจีบปรลบพระเสขะยังไม่เหยียดตุปปาทจิตก็เกิดขึ้นอย่างนี้ได้ด้วยปัญญาหรือไม่ได้ แล้วแต่จะเป็นมาอกุศลดวงไหนนะครับเดือนมกราคมจะได้พูดถึงมาอกุศลกันในเอ่อขั้นตอนของการ เพราะฉะนั้นรอยยิ้มของท่านจึงไม่ใช่รอยยิ้มของมิจฉาทิฏฐิเลยยิ้มเพราะความเข้าใจผิดในอารมณ์ในธรรมในโลกและในชีวิตหลงเหลืออยู่เลยสําหรับ เราจะพูดถึงตัวจิตที่ทําให้เกิดการยิ้มนั้นรอยนะแต่ถึงขั้นปรารหันต์ก็แม้จะ ไอ้แต่ยิ้มปั้นปล่อยเป็นคงไม่ทำเหมือนครับลาลานไอ้อย่างเราก็จะถ่ายรูปประชุมไปยิ้มเราก็ก็คือแม้เรายิ้มเราง่ายๆเหลือเกินมันง่าย <c oughs> ก็ยกตัวอย่างนิดและไอ้โลภวิปยุตนะก็ไม่ใช่บางทีท่านก็นั้นได้มันอยู่ที่เช่นนิสาขาโอบาสกที่เราเคย กับนางธรรมทินาที่เป็นคู่สามีภรรยาตระกูลเศรษฐีก็ได้ไปฟังธรรมที่วัดในวันนั้นได้บรรลุเป็นพระ เป็นปกติมากแล้วก็ตลอดเวลาที่ได้ขึ้นมาบนบ้านแล้วบนขณะรับประทาน ที่เป็นกามราคะเพราะท่านละกามราคะได้แล้วจะไม่ยินให้ รู้จะไปถวายพระพุทธเจ้าพอหรืออ่ะของอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นของใช้ประจําวันส่วนตัวของท่านที่ท่านกําลัง แต่ไม่ท่านก็ดีใจกับยึดติดอย่างรุนแรงเหมือนอย่างนั้น ที่เป็นความโลภละเอียดก็ทําให้ท่านยิ้มขึ้น อย่างนางวิสาขาเจอลูกเจอหลานก็ยังยิ้มด้วยความรู้สึกพอใจปราด้วย มีกามราคะหยับผลได้แล้วยังเหลือแต่กามราคะละเอียดนะก็หมายความว่าการแสดงออกระหว่าง อาจจะยังมีพฤติกรรมทางนี้ค่อนข้าง ทีนี้ถ้าว่าเป็นปสะกาคาคามีนั้นคือท่าน นั่นถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยบางทีเราก็ทําความรู้สึกยับ ก็จะอยู่ที่ความพยายามที่ปราลภ์ด้วยธรรมถ้าสมมุติว่าตัวๆอย่างที่นะฮะเมื่อ ละว่าเราจะแสดงออกก็ปรารภถึงเสเกียวัตรว่าเรานะเช่นว่าถ้าตัวเองเป็น นะฮะโดยลดลงมาแค่กอ 4 เรียกว่าว่าจากปล่อยได้อะไรส่วนเกี่ยวรังถ้าหากว่าเป็นปล่อยไปตามอารมณ์ก็เป็นไปไปใส่เป็นเหตุผล กําอารมณ์อย่างเช่นว่าคนกําลังผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยแม้ว่าจะไปดูตลกไอ้ที่เค้าตลกความรู้สึกในด้านอื่น คือความเสื่อม 5 อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทําให้ 2 อย่างเนี่ยถ้าหากว่าบุคคลยัดยั้ง อย่างคนที่เสียใจมาคนที่เสียใจมาบ้านกําลังถูกไฟไหม้หรือว่าไปทํามาค้าขายขาดทุนก็เลยเห็นอะไรต่อมีอะไรรอบๆตัวเช่นปรารภศีลเสเกียวัดหรือ ถ้าอย่างนั้นถือว่าเป็นๆไปจริงๆนี้จะพูด จำพวกหนึ่งเป็นกะหลาบลูกสีชมพูหนึ่งซึ่งมี 6 อย่างเนี่ยถ้า <c oughs> 3 เท่านั้นนะคือถ้ายินอย่างไม่มีเสียงและกายอยู่นิ่งการยินภาษาหลักวิชามันก็ นี่อย่างน้อยสุดเนี่ยเรียกว่ายิ้มอย่างไม่มีมันแค่เป็นยิ้มแต่ว่าไม่ 8 ถ้า โดยเรียกลงลงว่าอวินิพบะรูป 8 ก็ได้ 4 แล้วสีกลิ่นรสโอชาเอวะเป็นกาลังที่ถ้ามี 11 นั่นก็ 8 แล้ว 3 ครับดูอันนี้ก่อนนี่เป็นการยิ้มคือจะเป็น ว่าคนถ้าบุคคลใดยิ้มอย่างมีวิกาลยิ้มนั้นจะเป็นยิ้มที่สดใส หรือพระรูปก็พูดว่ารูปบ่ได้ทั้งรูปที่หน้าเราเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆเป็นอย่างไรก็จะมีผลที่ทํา ยิ่งยิ่งเบื่อยิ่งเบื่อก็เกรงใจหน้าตัวเองตัวปากจะแตกมากขึ้นก็เลยเลยไม่ค่อย <uga> ไอ้กบวยการทางเป็นจิตที่ไม่เต็นที่ต่างๆเนี่ยไม่มีข้อกะก้องเลยแต่ ยิ้มแบบสารภาพบาปเอออย่างลูกหวานฉ่อยก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกทวงเดี๋ยวเป็นการเล่นนายหนี้ทวงหนักๆไปแต่ยังไม่มีเงินอะไรในนะเพื่อจะได้แก้ตัวกันได้การยิ้มดังใบ อาการข้างทั้งข้างนอกทั้งข้างในก็ก็จะเป็น ถ้ามีจิตใจดีอย่างเป็นปกติเรารู้สึกได้ว่าคนคนนี้จิตใจดียิ้มแล้วดูสนิทหน้าอ่าเราเวลาเราดูทีวีนะฮะ